จุดหนึ่งนะมีตรงเมืารวอมอ า, าอปัดมองก็เห็นลิ้นไกน่คือลียนชั่โลน่ะหรือไงเธอไปไหนฉันพอพออัวรู้ปวดตัหาก็ไม่รับสายเห็นเป็นควายหรือไงเราเธอแอบเปลียนสิ่งไปใช้อีกเบอร์ โอ้หาเธอเป็นหมื่นหมื่นครั้ง ใ, ให้ผาพบความกบความตามขัดเธอไปสุดสวยกันอยู่ที่ไหนโอ้หาเพื่อนเธอพราความเห็นใจแต่ไม่ลายนิดไหมหลีบผาปบฉากหลับมาแล้วเปลนคำเป็นเชิ ทำมันเคยทุกลมผ่านมาแบบมันหมดแบบมีปัญหาคือบอกมาเห็นเราเป็นอีกวัไอ้ป้าพบความพบความสำคัญเกิไในสุขสบายกันอยู่ที่ไหนโอ้ห้าเพื่อนตัวรักพบความเน่ใจถ้าไม่เคยมีเลย ี่ปาปกบอกฉันชินตัวเธอทั้งวันวกุกิลนในปากพออฟังชิตัวเธอทั้งวันวกุ๊กกลันในปากพ้อฟาง ภาปอความก็ความตามันเธอไปสุดสวยกันอยู่ที่ไหนโอหาเพื่อนต้องความเห็นใจแต่ไม่เคยมีเลยลิบปาปบอกฉันหลับมาแล้วแปลงทำเป็นเชิงทำมันเคยกุกลันผ่านมา แบดมันบดแบดมีปัญหาเธอบอกมาเห็นเราเป็นอีกายแบดมันบดแบดมีปัญหาฟูบาดยาเห็นเราเป็นกว่า